นอกจากนี้ค่ะยังเคยมีคนเห็นหญิงสาวในชุดไทยนี้เช่นกันอีกหลายคนหลายครั้งต่างวันแล้วก็ต่างเวลากันจนกระทั่งเกิดเป็นเสียงร่าลือเกี่ยวกับการปรากฏร่างของหญิงสาวชุดไทยบนระเบียงชั้นสองของบ้านกระจายไปทั่วนะคะชาวบ้านอีกรายหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณ5กิโลได้เล่าให้เราฟังค่ะว่า